ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงพระพบทธญาณได้นำเสนอพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ระยาศีสนทนวหารน้อยอาจารย์อย่างกูลได้ประพันธ์แล้วก็เป็นบทที่สวดการแพร่หลายทั่วไปในวงการศึกษาปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปสู่พิธีกรรม คือมาขับบูชาวิสาข บ, บูชาสานั บ, บูชาก็มีการสวดสรเสริญพระพุทธคุณกันแนวนี้มีประเด็นที่น่าจะทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาในแนวเจาะลึกมากเป็นพิเศษแต่ว่าในที่นี้ก็เพียงแต่นาความคือกล่าวโดยสรุปเท่านั้นประเื้อหาสาระจริงๆต้องการจะนําเข้าไปสู่ก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ของพระพุทธเจ้า นั่นก็คือเรื่องของการบำเพ็ญบารมีธรรมวันก่อนได้พูดมาถึงประเด็นที่เรียกว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกุณาทั้งสาคอนโปรดมูประชากรมาาโอกะกนดานประการต่อไปนั่นก็คือชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารที่ทางพระนรุฬานอันพ้นโสกโยภยัย เป็นการแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจ้าชัดเจนว่าภารกิจของพระองค์ในฐานะที่เป็นศาสดาผู้มีความกรุณาต่อสปปรรพสัตว์ดุจหงษ์เจลีหลวงนั้นเอาก็จริงก็ทรงทำได้เพียงการชี้บอกคือทางในโลกนั้นที่จริงมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเป็ น, น, นมากไม่รู้ไม่เข้าใจในทางเหล่านั้น บางครง บ, บางคราวก็รู้ว่าทางอะไรไปไหนทางอะไรไปไหนแต่ว่าไม่มีวิธีที่จะหลีกหนีตนเองให้รอดพ้นจากทางเหล่านั้นเมื่อเราโดยสรุปที่เราเรียกว่าเป็นทางเนี่ยก็คือทางเสื่อมกับทางเจริญแต่ว่าทางเสื่อมทางเจริญที่จริงก็ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์พอสมควร คือมนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นความเป็นทางเจริญจะตามปกติแล้วการศึกษาระดับนี้ไม่ค่อยยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรก็ค่อนข้า ง, งชัดเจนเพราะเราก็ประสอบเพี่อนกันอยู่ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญแต่ควาจริงแล้วคือเราขาดเขาเรีย ก, กว่าโกศนคือความฉลาดความฉลาดในการจําแนกแยกแยะชัดเจน ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญทางเสื่อมเราเรียกว่าอปายโกรุสนคือฉลาดในทางเสื่อมทางเจริญเราเรียกว่าอาญโกรุสนคือฉลาดในทางเจริญตรงนี้ที่จริงถามเมื่อไร่ก็ตอบได้เมื่อนั้นแม้แต่คนที่ดื่มสุราเมาสุราถามว่าดื่มสุราดีไหมก็ต้งตอบว่าไม่ดีแต่พูดไปพูดมาก็ ให้ทาตามที่ลุงพูดอย่าทําตามที่ลุงทำเพราะลุงก็ยังเลิกไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติตั้งยังสอนอีกข้อหนึ่งเรียกว่าอุปายยโกสลคือฉลาดในอุบายวิธีที่จะลีกหนีทางเสือมมาดำเนินชีวิตของตนในทางเจริญจะดูตัวอย่างง่ายๆในบ้านเราเนี้ ที่จริงไม่ใช่บ้านเราเหรอกมันทั่วโลกคือมันก็เป็นเรบามนอย่างนั้นเองทางเสื่อมที่ดูได้ง่ายเราจะมองถึงปัญหาอาจยกรรมเราอาจจะมองถึงปัญหาเศรษฐกิจเรามองปัญหาสังคมมองปัญหาการเมืองหรือมองปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นปัญหารวนแล้วแต่ว่าเป็นทางอย่งความเสื่อมทั้งนั้นแล้วก็ความเสื่อมที่ค่อนข้างมากนั้นก็คือ ปัญหาทางด้านอัชญากรรมท่านเรียกว่าอากุศลกรรมบทตคือทางดำเนินของคุณโมหมายความว่าถ้าคนในสังคมดำเนินชีวิตไปในลักษณะเหล่านี้ปัญหาต่างๆจะเกิดมากมา ย, ายนนก่ายกองอเนกนันไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรได้แต่สังคมก็คงมีลักษณะอย่างนั้นสังคมก็ทำได้เพียงแค่ลด ความรุนแรงของทางเสื่อมเหล่านั้นเพระบนเส้นทางทางเสื่อมเหล่านี้บางครั้งก็ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงไปมีความฮารุโกรุนแรงออกไปในลักษณะต่างๆเราเรียกว่าปัญหารวมๆมปันหาดยากำรรเป็นความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ของคนอื่นเป็นความผิดที่เกี่ยวกับครอบครัวคู่ครอง เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานขึ้นในชุมชนหรือบุคคลสองคนขึ้นไปเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นมาจากการกล่าวถ้อยคำหยาบคายร้ายกาดรุนแรงสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะตลอดถึงในประเทศชาติเป็นส่วนรวม แล้วก็กล่าวถ้อยคําที่ไร้สาระแก่นสารเป็นอย่างมากทําให้คนเราสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสไปในการต้องบองฟังเรื่องไร้สาระเหล่ลานั้นเพราะตรงนี้ที่จรมัเป็นอาการเป็นอาการของความคิดเห็นของบุคคลโดยเห็นว่าคําพูดในแนวนี้จะออกมาด้วยความโลภ บ, บ้างด้วยความโกรธบาง แต่ทั้งโรกตั้งกฎนั้นมีความงมงายร้ายเหตุผลนี้อยู่เบื้องหลังที่เราเรียกว่าความเห็นผิดหรือเรียกว่าความหลงก็ได้กรนี้ถึงสังเกตว่าเช่นคนที่ประทุษร้ายในชีวิตของบุคคลอื่นอย่างข่าวคร า, าวที่ปรากฏตามหนัาางสือพิมพ์มือปืนรับจ้างไปเล่าตังการยิงคนคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหตุผลที่แกให้นั้นฟังไม่ขึ้นเลยต้องการจะตอบแทนบุญคุณของผู้มีอุปราคคุณเพราะคนที่จ้างเขานั้นเคยช่วยค่ายารักษาแม่ของเขาให้หายจากความเป็นนามาภัตซึ่งก็เป็นความผูกพันส่วนตัวแต่เราก็ใช้ความผูกพันส่วนตัวนั้นไปทำลายชีวิต ไปทำลายลูกของคนอื่นไปทำลายสามีของคนอื่นไปทำลายพ่อของเด็กอื่นเป็นทำลายพี่น้องของบุคคลอื่นแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านผู้นี้เป็นสมาชิกสภาุู้แทนรัสด ร, ดรก็เป็นการทำลายผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่เที่ยวกันไปยังไงก็ไม่คุ้ ม, มนะครับเราชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งหายป่วยป่าทดแทน โดยการฆ่าคนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าความเหตุมันผิดแล้วผลทุดท้ายเนี่ยทั้งผู้ที่เราสํานึกคุณทั้งตัวเราซึ่งสํานึกคุณนะมันผิดังแต่ต้นไอ้คุณนะั้นมันไม่ใช่คุณอย่างนั้นคุณนะมันมีแต่ว่าการตอบแทนคุณเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าตอบแทนได้ในลักษณะใด ไม่ใช่ไปดึงผู้มีบุญคุณเรามาสู่ห้วงเขวของภัยอันตรายการทำเช่นนั้นดูแล้วคล้ายๆกับทดแทนคุณจริงๆก็ดึงผู้มีอุปสรรคมาติดคุกติดตราดทำไมไม่ช่วยเหนียวรังยับยั้งชังใจตักเตือนให้สติบอกกล่าวหรืออาจจะหาผู้ใหญ่มาให้สติตักเตือนผู้มีอุปสรรคเราก็ได้ผลสุดท้ายไม่มีใครต้องบาดเจ็บ ไม่มีใครต้องเสื่อมเสียอิสรภาพไม่มีใครต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีใครต้องเดือดร้อนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตัวการใหญ่ในการเน้นย้ำธรรมะในทางศาสนานั้นพระเจ้าจะเน้นไปที่ตัวสมาธิคือปัญญาทเทนชอบตังความจริงเมื่อเรามีความเห็นชอบความคิดเราก็ชอบ ไม่ได้มองปัญหาตัดตอนเอเฉพาะสุมใดสูงมหนึ่งแต่ว่ามองในถึงความต่อเนื่องของเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ทรงสอนในรูปขการชี้บอกแต่เช่นว่าแนวตรงนี้ก็ไม่เอาเต็มที่ขนาดนั้นไปก่อนก็จะสอนแน่นแในรูปของศีลทั้งห้าประการแตนน่ในบ้านในเมือเราเวานี้ปัญหาเรื่องสีท่านี่เรื่องใหญ่มากๆไม่รู้จะอธิบายยังไง แล้วก็เป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วในส่วนต่างๆของโลกพอเราจับ ก, กลุ่มดูก็จะเห็นว่าเป็นการปฏริสลายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อครอบครัวต่อข้อมูลข่าวสาราต่างๆมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพวกผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วก็มีการมอมเมากันด้วยสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลซึ่งกฎหมายความมาตรงนี้ที่จริงใครก็รู้ว่ามันเป็นอันา ก, การรมเปทางเสื่อม แต่คนก็ยังไปอยู่ในพวกเหี้ยวสรงนี้อยู่มากลเลยเกินตัวนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ชี้เหตุชี้ทางบรรเทาทุกข์คือหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องลดพฤติกรรมในลักษณะนี้แล้เลิกได้แล้วก็จะดีปัญหาประการหนึ่งที่น่าห่วงก็คือปัญหานเรื่องใบจมุกตูดเมื่อไรก็ถูกมือนกัน ความหมายความเรื่องอบายมุกดันก็คืออะไรประมาณจะเอาสักสามเรื่องไม่ค่อยขยันทำการงานแล้วก็ตกเป็นทาของสิ่งเสียติดในโทษแล้วก็ชอบเล่นการพนันไอา้ามุกทรงแสดงไ่าเยอะนะฮะแต่แน่นอนว่าเราจะหลีกนี้ได้หมดนี่มันค่อนข้างยาก แต่ว่าสามประการนี้ค่อนข้างมีปัญหารแรงก น, งน้นก็เป็นนักเลงหญิงแล้วก็เที่ยวกลางคืนตื่นการละเล่นต่างๆชอบสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจในสถานที่เริงรมต่างๆเป็นความสิ้นเปลืองความสูญเสียแล้วก็มีความสิ้นเปลืองสูงมากแต่ก็ยากต่อการแก้ไขให้บรรทมเบาบางลงไป ว่าในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระจ้าสรงชี้บอกไว้ทั้งหมดแล้วแต่ดอรดะยะเวลายาวนานทุกส่วนของโลกที่ประสบปัญหานั้นเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วแล้วก็สอนระดับบรรเทาด้วยนะไม่สอนระดับหลางในต้น ต, ต้นก็ทำยังไงว่าช่อบรรเทาความรุนแรงตรงนี้ให้ได้ และปัญหาต่างๆก็จะจางคลายลงไปในขณะเดียวกันก็สรงชี้สุกเกษมสารสุขในชั้นต่างๆเรามาประลบปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองสองปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมายความว่าถ้าคนอยู่ในกรอบคองมสิน้นดัง5ประการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เกิดขึ้นได้โดยอันตโนมัติ และที่น่าสังเกตก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับโรคเอดกับเรื่องของยาบ้ายาเสพติดทั้งหลายนะฮะเวลานี้ที่จริงมันมีเยอ ะ, ะเหลเนชื่อเสียงเรียงนามก็บานทีก็เป็นชื่อภาษาฝรั่งมียาอียาเลิฟยาอะไรๆมากมายหลก็งตัวเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ย แต่ว่าคนรักษาศีลห้าสองข้อได้นะคือข้อที่เรียกว่ากรรมเมสุมิชาจาย์มันก็แก้ปัญหาโรคเอทได้แล้วข้อที่เรียกว่าสุรามีรยมัชะมันก็แก้ปัญหายาเสพติดได้แล้วก็แก้ปัญหาโรคเอดได้ด้วยเห็นไหมว่าปัญหาใหญ่ที่น่ากลัวเวลานี้ในโลกเนี่ยเราเลือกดูว่าประชากรสามสิบกว่าล้านเป็นโรคเอท ประชากรสามสิบกว่าล้า น, นันสร้างประเทศได้ประเทศนึงไงแต่มีพื้นที่เนี่ยเราย็นว่ามาเลเซียยังไม่ถึง3าสิบกว่าล้านเลยเป็นประเทศขนาดใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาแต่กลายเป็นประชากรด้อยคุณภาพแล้วก็นับถอยหลังได้คือตายแน่และในขณะเดียวกันเวลาอยูน่นี่มันก็มีปัญหาบางอนก็มีเรื่องที่ มาสลดใจนะก็เป็นคนที่เคยบวชมาถึงหกพันสามแล้วอูป่าด้วยจเจริญกรรมฐ า, านด้วยและในสุดก็สึกไปไปอยู่ร่วมกับผู้หญิงซึ่งเคยเป็นพันยามาในในคราวก่อนนะหมายความว่าก่อนจะบวชเนี่ย ก็เป็นปัญญาของเขาแต่พอเขาบวชผู้หญิงคนนี้ก็ไปอยู่กับชายอื่นก็ไปมีสามีใหม่แล้วสามีเขาตายสองคนไปเจอกันก็ไปอยู่กันแล้วต่อมาก็ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่กันได้หน่อยเดียวก็ตายตายด้วยโรคเอดส์เขาเองนั้นมันค่อนข้างติดไปในถังบวชแล้วเพราะว่าอยู่ป่าทั้งหกปีก็มาขอประธรรมที่วัา อาตอมาก็เห็นว่าก็ช่วยอดีตนักบวชให้บวชเนี่ยมันค่อนข้างรัดผลสมควรคือไม่ต้องเสียเวลากปรือภกรมในขั้นพื้นฐานก็ช่วยไปแล้วติดต่อกับหลวงพี่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือเห็นว่ามันจะได้ประโยชน์เพราะเขาอยู่ทางภาคเหนือเสร็จแล้วก็กลับมาบอกว่าในขณะที่รอจะบวชเนี่ย ได้ข่าวว่าลูกสาวเขาซึ่งได้เกิดกับปัญญาในคราวก่อนบวชนะฮะอายุสิบกว่าขวบแล้วก็เกิดมีโรคปรากฏตรวจสอบแล้วเป็นโรคเอชเหมือนกันป้าซึ่งเคยเลี้ยงดูหลานสาวเนี่ยเกิดรังเกียจขยะขยงไม่ยอมเลี้ยงดูเกเลยต้องไปดูแล้วก็ดูไปดูมาเนี่ยมีเข้าตัวเองก็จะเปลี่ยนด้วยเราเห็นว่ามันล้มระเนระ น, นาดองมาเลย เพียงเพราะอะไรเพียงเพราะขาดการรับยังช่างใจแล้วก็มองเห็นว่าเด็กนั้นคือรับมาดกบาปโดยตัวเองไม่ได้สร้างแล้วก็ผู้จ่ายคนนี้เองก็รับบาปที่ตัวเองไม่ได้ทําแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันมาและในที่สุดก็ต้องปล่อยเป็นไปตามกรรมแล้ก็มาหากรรมาสารภาพก็แนะนําก็ไปบอกว่า ชีวิตขา้างหน้ามันก็สั้นแล้วตอนนั้นก็ดูแลลูกไปซึ่งก็แน่นอนจะมีกําลังใจน่อยก็พยายามทํางานตรงการไปนั้นก็คือภาพของชีวิตที่สืบเนื่องมาจากการไม่บรนเทาทางแห่งความเสื่อมมนเดินในทางเจริญในการระดับที่ลดเว้นนะคือชัดเจนไม่ใช่เอาที่ประณีตมากเป็นพิเศษคือขอเป็นลดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทําในลักษณะนั้นเท่านั้น ปัญหาก็จะลดละจางคลายลงไปได้ทางแห่งความสุขที่ตัวเองต้องการก็ล้มระเนระนาดลงไปเกิดขึ้นไม่ได้เหตุผลก็คือเมื่อเราบรรเทาทางแห่งความทุกขความสุขมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้จะาทรงสแสดงธรรมะทั้งหมดที่เป็นกุศลเนี่ยนะคือทางแห่งความสุขแต่ว่า การทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสสังคมทวนกระแสจิตใจจริงๆก็คือทวนกระแสกิเลสภายในใจเราตอนไมเรามีปัญหาในภาคสนามคือภาคที่จะนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะเราอยู่ในเหตุของความทุกข์เมื่อตัอย่างที่ทรงชี้สุขเกษมสาไม่เอาขนาดน ง, ง่ายๆเนะี่ วสุขในการครองเรือนเป็นชาวบ้านถ้าท่านผู้ฟังไ้ติดตามข่าวข่าวเล็กๆนะฮะแต่เป็นข่าวที่ต้องคิดมากเป็นพิเศษเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งก็พอเรียนระดับอนุบานลนะบ้างไปบอกครูบอกว่าคุณครูแม่หนูตายแล้วครูก็ไปดุห้ามปราบให้พูด นึกว่าแม่เนี่ยรูปนี่แช่แม่แต่แม่เขาตายจริงครับเขาอยู่กับแม่สองคนแสดงว่าเกิดสภาพบ้านแตกนอนอยู่กับศพแม่ถึงเจ็ดวันนะก็หากินเองตามตู้เย็นอะไรก็มีอะไรก็หากินเองเชา้าก็ไปโรงเรียนมานอนอยู่กับศพแม่นั่นกว่าคนจะมาพบกว่าติดต่อคุณตาคุณยายได้เนี่ย ศพก็ไปอันลึงชิงไปแล้วเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิ่งหนักกว่านั้นอยู่กับศพแม่ตัวเองถึงเดือนนะศพก็เป่อยไปตามธรรมดาแล้วแกก็ไม่กล้าบอกใครอมีกลิ่นมากแกเอาผ้ามาคลุมไว้คลุมไว้ทับไว้ทับไว้แกก็นอนใกล้ศพแม่แกนะจนกว่าญาติจะรู้นี่ชาวบ้านจะรู้นี่หนึ่งเดือน เวลานี้เด็กทั้งคู่อยู่สหรัฐอเมริกานะอยู่กับคุณตาคุณยายเราเห็นอะไรเราเห็นว่าสังคมเราเป็นสังคมเดี่ยวเพิ่มขึ้นครอบครัวเดี่ยวแล้วถามเด็กคนรุ่นหนุ่มเนี่ยคนรุ่นหนุ่มสาวสมัยใหม่ยถามว่าครอบครัวคืออะไรนี่เธอตอบนะ่ากลัวนะเธอตอบว่าคือพ่อแม่ลูกหมายความมามีคนอยู่สองระดับตอนเด็ก สามีกับพันยาแล้วก็มีลูกก็ถือเป็นครอบครัวไม่ได้นึกย้อนเพว่าภาในครอบครัวนั้นมีปู่ตายาย่ายายอยู่ข้างบนมีลุงป้าหน้าอาเมียร์ตายอยู่ข้างบนนี่เยอะข้างล่างก็มีเยอะแต่พอเราคิดครอบครัวเดี่ยวก็พอมีปัญหาอย่างนี้มาการแต่งงานการอยู่ครองเรือนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาอยู่ร่วมกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายญาติเรือนที่ปกครองไม่ดีก็นำความทุกข์มาให้แต่นั่นกรพัวตรงนี้เป็นตัวอย่างที่มองย้อนกลับมาสู่สังคมไทยว่าถ้าสังคมไทยพยายามที่จะเป็นอย่างที่ฝรั่งก็เป็นอเมริกาก็เป็นแล้วก็ปล่อยให้ผู้เฒ่าพ่อแม่ปุยญาติยายแล้วพ่อแม่ของตัวเองนะปุยญาตยายของหลานเนี่ย อยู่กันตามภาษาคนเฒ่าคนแก่ตัวเองก็แยกเดี่ยวมาอยู่กันภายในครอบครัวตัวเองแล้วพอตัวเองแก่ลูกก็ต้องทิ้งเพราะว่าเป็นส่วนเกินภายในครอบครัวและสุดจะมีปัญหาติดตามมาอีกอันเดียันนั้นนั่นคืออะไรคือความสํานึกที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นต้องคิดใหม่ แต่คิดตัดตอนในลนักษณะนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมีปัญหาตัวเองก็จะเกิดสภาพว้าเวโดดเดี่ยวเดียวดายและที่สำคัญอย่างยิ่งคือความตายเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนเห็นแม่แม่สงคนนี่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายและลูกก็ไม่เข้าใจเรื่องตายเพราะยังเยาว์ยังเขา่าเหลือเกินแต่ถ้าครอบครัวตรงนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราอยู่กันแบบเอเชียเนี่ยมัน ไม่มีหรอกศพที่จะอยู่ขนาดนั้นถึงวันนั่นนะเพราะในบ้าน ม, มีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้อยู่กันสามคนอย่างนั้นด้วอยู่กันคนเอแม่กับลูกอย่างนั้นนี้เป็นปนัญหาต้องเมืองว่าถ้าเราคืนเดินไปเรื่อยๆในวันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าปัญหาเด็กสภาพบ้านแตกว่าเห่คบเพื่อนซ่องสุมเสพยาแข่งจั ก, กรยานไปเที่ยวตลอดทั้งนี้โยกจากบ้านไปจนเนี้ เป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดจากครอบครัวขาดความอบอุ่นแล้วก็เพราะเราแยกออกมาเป็นสังคมเดียวเป็นครอบครัวเดียวซึ่งพอพ่อแม่ไปบ้านไปทำงานนะนะตอนลูกได้เล็กก็จ้างใครก็ไม่รู้มาเลี้ยงดูหรือไปจ้างให้เขาเลี้ยงดูแล้วก็มีปัญหาเรื่องคนเรื่องคนที่รับจ้างเลี้ยงเด็กอยู่ตลอด เมื่อ <pouch. S 2> ในที่สุดไปเพิ่มปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขในจิตวิญญาณของลูกหลานตัวเองเด็กแทนที่จะมีความคิดควา ม, วามอา่านมี asia, ความเจริญก้าวหน้าเติบโตมาทัางความประสบการณ์ที่ดีงามก็กลายเป็นเกิดเติดโตขึ้นมาโดยมือของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่มือของแม่ไม่ใช่มือของปู่ย่าตายายหลวงป้าะอาอาสาวอาอาหญิงอาชายอะไรอะไรเนี่ยคือไม่ได้มีลักษณะเด่นเด่ มันก็เป็นทางเสื่อมที่เราเห็นชัดเจนนะแล้วก็เกิดขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาก็หมายความว่าถ้าเราพยายามเป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่เขาเดือดร้อนนั่นเองแต่เราลองดูว่าเด็กอเมริกาบางทีนี่ก็รุนแรงมันนึกมันอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เอาปืนมิตอกราดยิงคนตายกันเป็นเบือ่อและหลายครั้งนะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น ไปเรื่องที่สังคมต้องหยุดคิดแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยทุกฝัง่งตันหลายแต่หงพ่อโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก็ ง, งามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังต่างหลายโดยทั่วกันสวัสดี